บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทมีพระภาคเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นศาสดาหแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ทรงแสดงธรรมะโดยอนเนกกระปริยายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ซึ่งมีพื้นฐานในด้านต่างๆไม่เหมือนกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วข้อที่ทรงแสดงนั้นคือแสดงให้บุคคลเข้าใจโดยท่องแท้ถึงปรากฏการณ์ต่างๆและตัวกฎที่ให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นดังนั้นคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อกล่าวโดยสรุป จึงรวมลงในอริยสัจสี่ 4, หรือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคําว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงถึงธรรมที่เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยบางครั้งใช้คําว่าอิทัปปจัตปัจยตาซึ่งแปลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด และบางคราวก็เรียกว่าปัจจัยาการคืออาการที่เป็นไปตามปัจจัยคำว่าปัจจัยนั้นถ้ากล่าวด้วยภาษาปัจจุบันก็คือกฎที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆข้อนี้พึงเห็นได้ว่าโลกทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นมาประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสของบุคคลหากบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นตามปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่แต่พระบุมีพระภาคเจ้าทรงอาศัยปรากฏการณ์ซึ่งคนทั้งหลายเห็นอยู่นั่นเองคนควาศึกษาถึงตัวกฎหรือตัวปัจจัย ที่ก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์เหล่านั้นจนรู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงทั้งตัวกฎและปรากฏการณ์จึงนำเรื่องเหล่านั้นมาแสดงเปิดเผยแก่พุทธบริษทัททั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านั้นคาว่ากฎอันที่จริงก็คือตัวเหตุหรือตัวปัจจัย ที่ก่อให้เกิดผลขึ้นมาในลักษณะต่างๆเช่นว่าขึ้นที่ม้วนตัวเข้าหาฝั่งในที่ต่างๆนั้นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นแต่ว่าตัวกฎหรือตัวปัจจัยที่ก่อให้เกิดคลื่นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับลมเป็นต้นจึงก่อให้เกิดเป็นคลื่นขึ้นมาแต่ถ้ากฎที่ก่อให้เกิดเป็นคลื่นขาดไป ความเป็นคลื่นก็มีไม่ได้ในเรื่องต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนพวกปรากฏการให้บุคคลรู้ในฐานะที่เป็นเรื่องตามธรรมชาติตามธรรมดาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม สินั้นก็คงมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ข้อสําคัญที่สุดก็คือตัวกฎที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นที่บุคคลจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบทั้งในตัวเหตุปัจจัยที่ดีและเหตุปัจจัยที่ไม่ดีก้นนี้พึงดูตัวอย่างในอริยสัจทั้งสประการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนานั้นความทุกข์ทั้งมวลที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนที่เป็นสภาวะคือเกิดแก่ตายหรือส่วนที่จรเข้ามามีความโศกความรํำไรราพันเป็นต้นก็ตามเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกยกุคทุกสมัยแต่ว่าตัวกฎที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหล่านั้น บุคคลมักจะมองไปไม่ถึงแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ทราบว่ากฎที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดความทุกนั้นอยู่ที่บรรดากิเลสทั้งหลายและกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นรูปของชีวิตในกำเนิดต่างๆนั้นก็อาศัยกฎ ด, ดูถึงสามประการด้วยกันคือความมีกิเลสความมีกรรม และก็เกิดเป็นรูปของปฏิสนธิปิญดานถ้ากฎทั้งสามประการนี้ยังมีอยู่ปรากฏการณ์คือความเกิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ต้องมีอยู่ดังนั้นผู้ปรารถนาที่จะไม่เกิดในสังสารวัฏก็จำเป็นจะต้องทำลายกฎหรือปัจจัยทั้งสามประการนี้ออกไปแต่ในชั้นของการทำลายนั้นโดยหลักความเป็นจริงแล้ว ทำลายเฉพาะส่วนของกิเลสเท่านั้นเองเมื่อกิเลสหมดไปกรรมก็ชื่อว่าหมดไปเมื่อกรรมหมดไปแล้วปฏิสนธิบินดาณก็บังเกิดขึ้นไม่ได้การเกิดจึงมีไม่ได้แต่วัานในขณะเดียวกันชั้นของปัจจุบันธรรมคือในช่วงของการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นความทุกข์ที่จอนเข้ามาในชีวิตของคน มีมากมายหลายประการด้วยกินทางนี้ก็ส่งชี้ไปที่กฎซึ่งถือว่าสำคัญได้แก่การที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของการบ้างด้วยอำนาจของความคิดเห็นบ้างด้วยอำนาจของความปรารถนาฐานะความมีความเป็นบ้างและเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา ในลักษณะใดก็ตามความปักใจสำคัญมั่นหมายปรารถนาความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ก็จะบังเกิดขึ้นถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลวิเคราะห์ลงไปในจุดนี้ถึงความเป็นจริงอย่างแท้จริงแห่งสิ่งทั้งหลายแล้วจิตของบุคคลก็จะแกว่งไปด้วยอำนาจของความดีใจกับความเสียใจ และเมื่อสิ่งที่ตนดีใจเมื่อได้รับมาเปลี่ยนแปลงไปก็จะกลับเป็นความเสียใจและสิ่งที่ตนเสียใจเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตนชอบตนพอใจก็กลับเป็นความดีใจเป็นต้น <c oughs> ซึ่งแต่ละอย่างนั้นถ้าบุคคลเข้าใจถึงตัวกฎตัวปัจจัยโดยท่องแท้แล้วเวลาประสบกับอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะต้องมองในแง่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นกฎประการหนึ่งเมื่อกฎเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์ตัวปรากฏการก็ปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่ใครห้ามไม่ได้แต่ว่าตัวกฎเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของมันเองได้และด้วยเหตุปัจจัยภายนอกก็อาจจะเปลี่ยนได้ เมื่อประสบกับอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีบุคคลจึงต้องปรับใจให้ยอมรับความจริงโดยนัยะที่ได้กล่าวมาแล้วและในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมยอมรับความจริงอีกภาคหนึ่งให้ได้ว่าในขณะที่ปรากฏความดีใจอยู่นั้นอีกภาคหนึ่งก็คือความเสียใจเมื่อประสบกับสิ่งที่สมหวังนั้นอีกภาคหนึ่งก็คือความไม่สมหวัง ถ้าบุคคลสามารถปรับใจได้อย่างนี้ก็จะไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาและจะไม่ทุกโธมนัดจนเกินไปในเมื่อประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาและด้วยกฎเกณฑ์เหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงกฎซึ่งเป็นตัวเหตุเป็นอันมากสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาผลในชั้นต่างๆ ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นผลก็จะบังเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการเรียนการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทําให้ได้กิจหน่วยกิจจึงจะชื่อว่าสอบผ่านนี่คือเป็นตัวกฎซึ่งบุคคลจะต้องทําให้ได้จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้และเมื่อทําถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้แล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องอ้อนวอนอะไรแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าบกพร่องในส่วนกฎหรือส่วนเหตุปัจจัยผลที่บุคคลต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม <c oughs> <c oughs> การศึกษาการกำหนดรู้ทำความเข้าใจถึงความจริงระหว่างกฎกับปรากฏการณ์ หรือระหว่างเหตุกับผลหรือระหว่างปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นผลขึ้นมาในกรณีดันั้นจะทำให้บุคคลมองโลกในมุมกว้างและในแง่ของความเป็นจริงอย่างแท้จริงสามารถที่จะตัดปัญหาต่างๆซึ่งไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรให้ออกไปจากจิตใจได้การอ้อนบอนการบวงสรวง หรือการราราธนาบนบานสารกล่าวในลักษณะต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือการกระทาที่ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะถ้าผลทั้งหลายเกิดขึ้นจากการอ้อนวอนการบวงสวงการราษนาหรือบนบานสารกล่าวได้แล้วโลกก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้คนทั้งหลายก็คงจะอยู่ดีมีสุขกันโดยทั่วกัน พื้นฐานของความปรารถนาในการดํารงชีวิตของคนเรานั้นคือไม่ต้องการความทุกข์แต่ต้องการความสุขทั้งๆที่มีการอ้อนวอนขอร้องกันอยู่มากมายแต่สภาพความเป็นจริงแล้วคนก็ยังมีความทุกข์อยู่มีความสุขกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองการกระทําในลักษณะนี้จึงเป็นการกระทํำที่ ฝืนกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาแต่ในตานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลปรารถนาผลอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดผลเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติได้แล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งผลที่บุคคลปรารถนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็นผลในสามช่วงใหญ่ๆด้วยกัน คือผลที่ตนจะสามารถสัมผัสได้มีความสุขความสบายในชีวิตปัจจุบันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงกฎเพื่อให้เกิดผลเหล่านั้นหรือเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นขึ้นสำหรับบุคคลทั้งหลายเช่นในชั้นของการดำรงชีวิตปรารถนาความมั่งคั่งความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติก็ทรงแสดงหลักให้บุคคลมีความมันขยัน ในการประกอบภารกิจในการงานรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติวิชาความรู้ขีดความสามารถเป็นต้นของตนไวข้บหาสมาคมเกี่ยวข้องกับคนดีซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีความสำคัญมากบาลีท่านใช้คำว่าอาเสวนปัจจัยคือการเกี่ยวข้องคบหผาสมาคมคลุกคลีกับบุคคลใด ก็มักจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคล น, นั้นแม้แต่ในธรรมชาติก็จะเป็นเช่นเดียวกันข้อนี้จะเห็นได้ว่าต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมภูเขานั้นจะเป็นต้นไม้ที่สูงพิเศษแต่ต้นไม้ที่เกิดกลางทุ่งนาถึงแม้จะเป็นพันธุ์เดียวกันแต่ก็จะไม่สูงเหมือนต้นไม้ที่เกิดริมภูเขานี่แสดงถึงอาเสวนาปัจจัย คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่ำและสิ่งที่สูงมีส่วนในการผลักดันให้ธรรมชาติเหล่านั้นต่ำสูงไปได้การดำารงชีวิตของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระศาสนาจึงได้เน้นการครบหาสมาคมกับบุคคลเอาไว้ว่าเป็นปุคละสัปปายะคือถ้าคบหากับบุคคลดีก็ได้บุคคลสัปปายะ คือสะดวกสบายในการเกี่ยวข้องคบหากับบุคคลแม้ในมงคลชีวิต38ประการก็ทรงเริ่มต้นด้วยไม่คบควรผ่านและการครบหากับบัณฑิตดังในการดำรงชีวิตนั้นก็ให้ดำรงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพแผงตนในขณะเดียวกันปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเพียงปัจจัยที่อำนวยปรากฏการในทางที่ดีให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นแต่ชีวิตของบุคคลไม่จะหยุดเพียงเท่านี้พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตยกระดับจิตใจและปรุงแต่งพบชาติให้มีความประณีตยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลผู้มีชัดศรัทธามีฉันทะ ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ให้สูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นโดยทรงสอนให้บุคคลสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ยั่งลงมั่นคงในฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้นศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบทที่สวดกันก็ดีหรือเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าก็ดี ย่อมทาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติมีความผ่องใสปรากฏขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆซึ่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ทั้งในด้านที่เป็นตัวกฎและทางในด้านที่เป็นปรากฏการในขณะเดียวกันก็สงสอนให้มีการปฏิบัติขัดเกล้าฝึกเปลือกการทางกายทงวาจาของตนด้วยความเป็นผู้มีศิทธ์ ศีลจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะนำบุคคลให้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติที่สงบประนีตยิ่งขึ้นไปและให้มีการเสียสละทั้งในด้านวัตถุพัสดุสิ่งของซึ่งตนมีเหลือกินเหลือใช้หรือสามารถที่จะแจกแบ่งให้แก่บุคคลอื่นได้และสละอารมณ์ที่เป็นอุปสรรค แกเจตจํานงที่ตนตั้งไว้เพื่อทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วเวลาบุคคลตั้งใจจะกระทําความดีอะไรก็าตามมักจะมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสสมานคือความรู้สึกที่เข้าไปตัดรอนการกระทําดีของบุคคลขึ้นมาขัดขวางอยู่เสมอซึ่งในกรณีนี้จําเป็นจะต้องสละความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากจิตใจให้ได้ และให้สามารถที่จะเสียสละกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจพวกกิเลสนั้นไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไรก็ตามโดยลักษณะโดยสภาพของมันแล้วมีอาการแผดเผามีอาการเร่าร้อนด้วยตัวของมันเองและเมื่อเกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลใดก็จะทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเร่าร้อนตามไปด้วยกิเลสทุกลักษณะทุกชนิด ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดก็ตามเป็นประหาตประรรมคือธรรมะที่สงสอนให้บุคคลปฏิบัติเพื่อละไปโดยส่วนเดียวและสอนให้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์ซึ่งทรงใช้คำว่าปัญญาสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยปัญญาความรอบรู้ที่จะชำรกกิเลสออกไปที่จะเกิดความเข้าใจถึงสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริง โดยการมองเห็นความจริงแห่งโลกและชีวิตว่าเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาซึ่งความจริงทั้งสี่ประการนี้ถูกปิดบังเอาไว้ด้วยสุภาษัญญาคือการกำหนดหมายว่าสวยงามบ้างดยนิจจะสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนบ้างด้วยสุขสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเป็นสุขบ้าง และด้วยอนัตตสัญญาอัตตสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาซึ่งการกำหนดหมายในลักษณะนี้เป็นการมองของชั้นปรากฏการ์เท่านั้นเองไม่ได้วิเคราะห์ถึงตัวที่เป็นกฎหรือเป็นปัจจัยอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการที่บุคคลมองเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยงามนั้น ก็เพราะว่าจิตได้ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นจิตที่ถูกย้อมสีด้วยอำนาจของราคะบ้างด้วยอำนาจของโลภะบ้างจึงมองไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันในชีวิตประจุบ ป, ประจำวันบุคคลก็ได้รับเงื่อนไขต่างๆที่คนอื่นเขาบอกกล่าวเขาชี้แนะเขาประชาสัมพันธ์เขาโฆษณาให้แล้วก็ได้เก็บเพาะเชื้อเหล่านั้นเอาไว้ภายในจิต บางครั้งจึงตัดสินความสวยงามตามที่คนอื่นเขาบอกว่าสวยงามไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลและด้วยสติปัญญาของตนเองในการที่กําหนดหมายว่าเป็นสุขสัญญานั้นก็เพราะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนนั่งนานเกินไปก็เปลี่ยนอิรยาบถเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นต้นการปรับเปลี่ยนอิรยาบถเหล่านี้ ทำให้บุคคลมองผ่านความจริงที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายจึงมีการกำหนดหมายว่าเป็นสุขดังที่กล่าวและการที่บุคคลมองเห็นว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปลวนัน<ม>ก็เพราะว่าบุคคลไม่ได้แยกในตัวกฎที่เกิดสืบเนื่องกันไปที่ท่านใช้คำว่าสันติ คือเกิดสืบเรื่องกันของสิ่งเหล่านั้นเลยใจก็ไปกําหนดหมายว่าเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนด้การที่บุคคลไปกําหนดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาก็เพราะการเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่นของสิ่งเหล่านั้นและเป็นการเกาะกลุ่มกันอย่างมีสัตว์มีส่วนเช่นการคุมกันของเรือนของรถก็กลายเป็นเรือนเป็นรถขึ้นมาแท้จริงแล้วเมื่อแยกจ่อยออกไป ความเป็นเรือนเป็นรถก็ไม่มีฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงนั้นจะทําให้บุคคลแยกได้ระหว่างเหตุกับผลระหว่างปรากฏการณ์กับตัวกฎและระหว่างปัจจัยต่างๆกับผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านั้น เมื่อบุคคลต้องการปรากฏการณ์ที mm ่ดีก็จะเพ่งเลงไปสร้างกฎที่ดีขึ้นเพื่อได้ปรากฏการณ์ที่ตัวต้องการหรือว่าบุคคลต้องการผลที่ดีก็จะสร้างเหตุที่ดีต้องการความสุขก็สร้างเหตุเพื่อความสุขต้องการความสงบระงับดับกิเลสก็จะสร้างเหตุเพื่อให้เกิดการสงบระงับดับกิเลสและการสร้างเหตุนั้นจะไม่ไปสร้างในที่อื่ แต่จะสร้างขึ้นที่ชีวิตร่างกายของตนนี้เองเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วธรรมะทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นการบัญญัติการแสดงที่สกลกายของบุคคลนี้เองอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเรากล่าวถึงโลกเราบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติ ให้ถึงซึ่งความดับแผงโลกที่สกุ ล, ลกายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งนี้เองดันั้นชีวิตของบุคคลแต่ละคนจึงกลายเป็นนครนนะรกหนึ่งซึ่งทรงใช้คำว่ากายนครและกลายเป็นโลกแต่ละโลกด้วยกันการรู้แจ้งความเป็นจริงในกายนี้ทั้งในชั้นของเหตุและของผลทั้งในชั้นของปรากฏการณ์และตัวกดแลว เมื่อบุคคลจะจัดการกับสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาแทนที่จะไปสแสวงหาตัวเหตุหรือตัวกฎจากภายนอกก็จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงเหตุที่ตัวเองเมื่อไม่ปรารถนาผลก็จะทำลายเหตุในส่วนนี้ให้ออกไปแล้วผลก็จะไม่เกิดขึ้นเองเหมือนการที่บุคคลไม่ปรารถนาที่จะให้โรค เสียแทงตนเองก็จัดการให้หมอทำลายสมุดฐานแห่งโรคเสียฉนั้นและในขณะเดียวกันปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งดีและไม่ดีปรากฏการอันใดที่ดีบุคคลก็จะตรวจสอบถึงกฎที่เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามสร้างตัวเหตุขึ้นดังที่กล่าวแล้วดังนั้นแม้การปรารถนา ความเป็นเทพด้วยชีวิต ร, ร่างกายในปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากกฎตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และกฎเหล่านั้นก็คือธรรมะสี่ประการที่กล่าวมาในตอนต้นคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาโดยให้เพิ่มสุตะคือการศึกษาการสดับยัตบฟังเข้าไปแต่ว่าในการศึกษาสดับยัตบฟัง ซึ่งจะทําให้บุคคลกลายเป็นเทพด้วยชีวิตร่างกายในปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นการศึกษาที่ผ่านขั้นตอนในด้านเสริมสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทรงจำเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ได้และบางเรื่องสามารถท่องไว้ได้ในขณะเดียวกันนําเรื่องเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาพินิจพิจารณาจนเกิดอย่างรู้อย่างเห็น ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะรู้แจ้งซึ่งท่านใช้คำว่าแทงตลอดพูดภาษาธรรมดาว่าเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยท่องแท้เป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลก็จะยุติไปด้วยเหตุด้วยผลคือพยายามหลีกเลี่ยงกฎหรือเหตุที่เป็นไปเพื่อความเสื่อม พยายามสร้างกฎหรือเหตุที่เป็นไปเพื่อความเจริญในชั้นนั้นๆเมื่อบุคคลสามารถประพฤติกระทำได้โดยในยะนี้ผลคือความสุขความเจริญในชั้นนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจรองตามให้เห็นจริงได้ ซึ่งก็หมายความว่าปรากฏการณ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุพระพุทธเจ้าทรงชี้ไปที่เหตุและเหตุเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเหตุแห่งความทุกข์กับเหตุแห่งความสุขในชั้นนั้นธรรมะทั้งมวลจึงสรุปลงที่หลักของอริยสัจ ท, ทั้งสีประการเพื่อสอนให้บุคคลปฏิบัติ เพื่อทำลายเหตุแห่งความทุกข์และสร้างเหตุแห่งความสุขโดยมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขที่วางไว้และสามารถพิสูจน์ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าจะในการ ใ, ใดก็ตามดังนั้นในก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจาะไปนิพพานจึงรับสั่งไว้ว่าาสราบใดที่การปฏิบัติชอบตามอริยมรร มีองค์แปดประการยังมีอยู่ทราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทแดงนี้ต่อตีนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป